พึงทราบวิปัสนูปกิเลสตามข้อความในคำพีปฏิสัมพิทามากว่าจิตของผู้ปฏิบัติธรรมย่อมวันไว้เพราะหนึ่งแสงสว่าง 2. ยญาณ 3. ปิติ 4. ปัสสิ 5. สุข 6. อธิโมค 7. ปัจคะหะ 8. อุปทา อุเบกขาที่เกิดร่วมท้องกับวัชนุเบกขาอันพิจารณาโดยสะดวก 1. นิกันติความไม่พอใจวิปัสนูปกิเลตคือสิ่งที่ทำให้วิปัสนาหม่นหมองทำให้วิปัสนาเสื่อมไปเพราะผู้ปฏิบัติธรรมที่พบเห็นสิ่งเหล่านี้อาจสัมพันธ์ผิดคิดว่าแสงสว่างเป็นต้น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 รถเทียมม้าอสดรแสนคันหญิงสาวผู้สวมใส่ตังหูแก้วมณีแสนนางทั้งหมดนี้ไม่ควรค่าส่วนเสี่ยวที่16ของท่านผู้ก้าวไปเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลย<ด>เมื่อได้รับกำลังใจจากเทวดาแล้วท่านก็นึกได้ว่ามีคนอื่นอยู่ในบริเวณนั้นไม่ใช่มีท่านเพียงคนเดียวจึงระลึกถึงพระพุทธคุณ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 ตามสมควรแก่สมาธิแสงสว่างและรูปร่างสันธานเหล่านี้จะปรากฏด้วยอำนาจของสมาธิในระดับยานทั้งสมขั้นต้นแม้ในอุทภรยญาณที่มีกําลังน้อยก็อาจพบแสงสว่างได้ด้วยอำนาจของวิปัสสนานิมิตเป็นแสงสว่างหรือสันธานที่พบในระดับยานต่างๆมีข้อแตกต่างกันดังนี้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 โดยปราศจากความตั้งอยู่ชั่วขณะนอกจากนั้นในยานขั้นแรกทั้งสามระดับอาจเกิดปีติที่รู้สึกอิ่มใจปัจสถิที่รู้สึกสงบเหมือนอยู่คนเดียวในโลกสุขทางใจที่ไม่เคยพบมาก่อนและศรัทธาเชื่อมั่นเลื่อมใสยอย่างแรงกล้าด้วยอำนาจของสมาธิอีกด้วยผู้ที่สามารถเห็นประจักษ์ความเกิดดับอย่างรวดเร็วของรูปนาม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 ประสบการณ์เช่นนี้เหมือนเห็นด้วยดวงตาปกติในสถานที่เห็นได้ขอผู้ปฏิบัติทมจงพิจารณาเรื่องนี้ในขณะเพียรปฏิบัติจนเมื่อปรากฏแสงสว่างขึ้นก็จะเข้าใจได้อย่างชัดเจนเองผู้ปรารบความเพียรเมื่อเห็นแสงสว่างแล้วอาจเข้าใจผิดว่าเป็นแสงสว่างที่เกิดจากการบรรลุมรรคผลนิพพาน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 หรือหันมะเขือเทศให้ขาดในครั้งเดียวยานี้เป็นปัญญาที่รู้เห็นลักษณะของรูปนามอย่างชัดเจนและเข้าใจพระไตร ล, ลักษ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของรูปนามได้อีกด้วยโดยไม่ได้พิจารณาใกล้ครวนตามที่ได้ยินมาแต่เป็นการรู้เห็นโดยประจักษ์จากโลกทัศน์ภายในกายของตนยานเนื้อนี้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 เพียงต้องการเสพรสของปีติอย่างสงบละเอียดจนกระทั่งไม่ต้องการแม้จะกระพิบตาหรือลืมตาดูสิ่งภายนอกปีติทั้ง5ประการนี้จะเริ่นเพิ่มภูลตามลำดับตั้งแต่อุทัพยายานเป็นต้นไปแล้วปรากฏภารณาปีติอย่างเดียวในเมื่ออุทัพยายานแก่กล้า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 ลักษณะนี้เกิดจากวริยะที่จดจอมีกำลังน้อยกว่าสมาธิส่งผลให้ถินมิทธะเกิดขึ้นครอบงำจิตได้ 4. ปัสสธิปัจสธิคือความสงบกายและใจที่ปราศ จ, จากความสัดสายฟาุ้งซ่านเพราะความจดจ่อเกินไปเหมือนการออกจากที่ร้อนระอุไปสู่ที่เย็นสบายในขณะที่ปัจสธิปรากฏนี้ มีสภาวะธรรมบางอย่างเกิดร่วมกันคือละหุตาความเบาของกายและใจโดยผู้ปฏิบัติธรรมมักรู้สึกว่าร่างกายเบาสบายในเวลาเดินเท้ามีสภาวะเบาเหมือนหายไปแม้ในเวลานั่งนอนเยียดคูร่างกายมือเท้าก็เบาเหมือนหายไปบางท่านอาจรู้สึกว่าเคลื่อนเท้าไปถึงเร็ว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 แม้จะปฏิบัติธรรมเป็นเวลานานและจิตก็กำหนดรู้ได้คล่องแคล่วเหมือนสาธยายบทสวดมนต์ที่ต้องจำได้ดีอุชุกตาความเที่ยงตรงของกายและใจโดยปราศจากความสนใจสิ่งที่ไม่ดีความต้องการจะปกปิดโทษหรือมายาสาทถยที่แท่งทำเป็นคนดีมีคุณธรรม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 มีเวทนาขันเป็นต้นอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงความสงบของกายอีกด้วยดังคำพีมหาดีกาของวิสุทธิมรรคกล่าวว่า 1. ในเรื่องนั้นพึงทราบการถือเอารูปกายด้วยกายสับอีกด้วยมิได้ถือเอาขันสมมีเวทนาขันเป็นต้น 2.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 ที่มิใช่ของมนุษย์ทั่วไปเมื่อเธ อ, อยังเห็นความเกิดขึ้นและดับไปแห่งขันแล้วย่อมได้ความปีติประโมทซึ่งเป็นสิ่งอมตะสำหรับท่านผู้รู้ทั้งหลายหกอธิโมกคือความเชื่อมั่นเลื่อมสายที่ประกอบด้วยวิปัสนาจิตที่เจริญสติระลึกรู้ปัจจุบันย่อมผ่องใสไม่เศร้าหมองด้วยกำลังของอธิโมก แม้ผู้ปฏิบัติธรรมจะหยุดพักการเจริญสติเพียงชั่วขณะก็ยังมีจิตผ่องไสเช่นเดียวกันความเชื่อมั่นเลื่อมสยพระรัตนตรยัยกรรมและผลกรรมมักปรากฏชัดเจนอย่างมีกำลังด้วยอำนาจของแสงสว่างยานและอธิมโมกนี้ส่งผลให้ผู้ที่เจริญสติปัฏฐานดำริจะปฏิบัติธรรมต่อไป และดำริในการชักชวนบุคคลอื่นอีกด้วยอีกทั้งเกิดความเลื่อมใสผู้ปฏิบัติธรรมและพระวิปัสนาจารย์ 7. ปักคหะปักคหาคือความเพียรที่ประกอบด้วยวิปัสนาเป็นความเพียรที่สม่ำเสมอไม่ตึงหย่อนเกินไป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 อุเบกขาคือวิปัสนานุเปกขาที่กล่าวมาแล้วพร้อมทั้งอวัชชะเปกขาที่เกิดขึ้นก่อนหมายความว่าเมื่อจิตดวงใดดวงหนึ่งอันเป็นสภาวะเห็นได้ยินหรือกําหนดรู้จะปรากฏอวัชนะจิตคือจิตที่พิจารณาใกล้ครวณอารมณ์ย่อมเกิดขึ้นก่อนดวงจิตอื่นถ้าจิตดังกล่าวพิจารณาดี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 อวัชนะจิต ท, ที่พิจารณาอย่างนี้ชื่อว่าอาวัชนนเปกขาส่วนวิปัสนาญาณที่รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามโดยประจักษ์ไม่ต้องจดจ่อมากนักชื่อว่าวิปสัสโนเปกขาอุเบกขาทั้งสองอย่างที่พิจารณารู้เห็นความเกิดดับของรูปนามโดยสม่ำเสมอเช่นนี้เป็นวิปสัสโนปกิเลสในคำปีมหาดีกาของวิสุทธิมัก กล่าวว่าเป็นตัดรมัดชัตตาตาคือความไม่สม่ำเสมอของจิตและเจตสิกในกรรมที่ดีงามนั้นๆโดยต้องการจะแยกองค์ธรรมของอุเบกขาให้ต่างจากยานส่วนในอัตถกถาของปฏิสัมพิธามักกล่าวถึงมติข้างต้นว่าเป็นเพียงความเห็นของอาจารย์ แล้วเสนอมติของผู้แต่งเองว่าคือสมาธิอย่างไรก็ตามในคัมภีรปฏิสัมพิทามมัคคันธิบทกล่าวว่าแม้วิปัสสนุเปกขาจะเป็นยานตามที่อธิบายไว้ในวิสุทธิมัค ก, ก็จะมีลักษณะต่างจากยานเพราะมีหน้าที่สม่ำเสมอในการพิจารณาสังขารจึงไม่ขัดแย้งกับยานข้าพเจ้าเห็นด้วยกับมติในคัมภีร์ข้างต้นนี้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 จำแนกได้3ประการคือ1ตันหาความยินดีพอใจแสงสว่างเป็นต้น 2. มานะความถือตัวถือตนว่าดีกว่าคนอื่น3ทิฏฐิความเห็นผิดว่าแสงสว่างเป็นเราหรือของเราเมื่อรวบรวมวิปัสสุปกิเลส10อย่างกับความยึดมั่นทั้ง3ที่มีในแต่ละอย่างก็จะมีความยึดถือ30อย่าง แต่ถ้านับความยึดถือในวิปัสสนูปกิเลสเหล่านั้นแบบโดยรวมว่าเป็นความยึดถือเดียวโดยไม่จำแนกก็มีวิปัสสนูปกิเลสเพียงสิบอย่างดังคำพีวิสุทธิมากกร์กล่าวว่าหนึ่งอันหนึ่งในอุปกิเลสสิบเหล่านี้แสงสว่างเป็นต้นกล่าวว่าเป็นอุปกิเลสเพราะเป็นที่ตั้งของอุปกิเลสมิใช่เพราะเป็นอกุศล 2. ส, ส่วนนิกันติเป็นอุปกิเลสที่ตั้งของอุปกิเลส 3. ก็อุปกิเลสสิบเหล่านี้มีได้โดยทางวัตถุ 4. แต่โดยทางความยึดถือมีสามสิบท่วนข้อความข้างต้นหมายความว่าวิปัสสนุปกิเลสเก้าอย่างแรกมีแสงสว่างเป็นต้นอันเป็นที่ตั้งของอุปกิเลสนี้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 จึงไม่เรียกว่าอุปกิเลสเพราะไม่ได้ทำให้วิปัสสนาหม่นมองนอกจากนั้นแสงสว่างที่ปรากฏแก่พระอริยบุคคลในเวลาเริ่มปฏิบัติที่เกิดในอุทัพย า, ยานก็ไม่ใช่อุปกิเลสผู้ที่ได้รับคำชี้แนะจากพระวิปัสสนาอาจารย์อย่างถูกต้องย่อมเข้าใจว่าแสงสว่างยานและปีติเป็นต้นนี้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 นับเข้าในปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป